บทธรรมคือยยาธรรมทั้งที่เป็นสังขารมีการบัญญัติลักษณะรูปนิพพานเนี่ยนะสิ่งใดที่ควรรู้มีอยู่ที่เป็นประโยชน์แก่ตนเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเป็นประโยชน์ในภพนี้เป็นประโยชน์ในภพหน้าเป็นประโยชน์ตื้นประโยชน์ลึกประโยชน์เปิดเผยประโยชน์ลี้ลับประโยชน์ที่ควรแนะนําที่ต้องอธิบายเพิ่มเติมหรือไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมประโยชน์ที่ไม่มีโทษประโยชน์ที่ไม่มีกิเลส ประโยชน์ขาวตลอดจนถึงประโยชน์อย่างยิ่งคือพระเนพันสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นย่อมเป็นไปภายในพระพุทธญาณของพระองค์อันพระองค์มองเห็นอะไรปั๊บเนี่ยนะรับรู้อารมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งปั๊บพระองค์รู้เลยว่าอันนี้มีประโยชน์ในประโยชน์แก่ตนมีไหมประโยชน์แก่ผู้อื่นมีไหมแล้วสิ่งนี้จะมีประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายไหมสิ่งเหล่านี้เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยนะให้ประโยชน์ในโลกนี้ให้ประโยชน์ใน personas, ใโลกหน้าบ้างไหม สิ่งเหล่านี้จะก่อให้ได้รับประโยชน์ที่ตื้นคือเห็นได้ง่ายปฏิบัติตามง่ายหรือเป็นประโยชน์ที่ลึกหรือเป็นประโยชน์ที่เปิดเผยหรือว่าเป็นประโยชน์ที่ยังลี้ลับหรือต้องอธิบายขยายความเพิ่มเติมหรือว่าแค่นี้ก็เข้าใจแล้วเนี่ยนะอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษประโยชน์กําจัดสิ่งที่ไม่ประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ได้อย่างไรทําให้เขาสําเร็จประโยชน์ทั้งปวงได้อย่างไร พันพระองค์จึงสามารถที่จะบอกประโยชน์เขาโดยที่สุดคือประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพานพนั้นสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ทั้งปวงที่ควรมีเนี่ยแนะประโยชน์เหล่านั้นตกอยู่ภายใต้อำนาจพระญาณของพระองค์พันพระองค์ทรงรอบรู้ทรงเห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งปวงพันกายกรรมทั้งหมดของพระองค์ย้อนกลับอีกในหนึ่งเขาบอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีพระปัญญาจากักษุคือมีตาปัญญานี่แหละ ทำให้กายกรรมทั้งหมดของพระองค์เนี่ยคล้อยไปตามปัญญานเนี่ยนะกายกรรมสิ่งที่ทําการขยับตัวโดยที่สุดแม้กระพริปตาเนี่ยนะก็คล้อยไปตามพระญาณคือปัญญ า, านะวาจีกรรมคําที่พูดทั้งหมดเนี่ยนะแม้กระทั่งคําว่าโอ้เนาเรียกว่าอโหวตโ c เป็นต้นเนี่ยทำเหล่าใดที่แม้โดยที่สุดแม้แต่อุทานขึ้นมาสิ่งเหล่านั้นก็คล้อยไปตามพระญาณตามปัญญาของพระองค์ แม้กระทั่งมโนกรรมทุกความคิดเนี่ยนะมโนกรรมทั้งหมดเนี่ยทุกๆความคิดก็คล้อยไปตามพระยามของพระองค์ผู้ที่สําหรับพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วมันเนื่องจากเม man, ื่อพระองค์ตร ah. ัสรู้แล้วกายกรรมทั้งหมดของพระองค์นั้นเป็นไปตามปัญญาวจีกรรมทั้งหมดของพระองค์เป็นไปตามปัญญามโนกรรมทั้งหมดของพระองค์ไหลไปตามปัญญา เพราะฉะนั้นพระองค์ผู้ที่ตรัสรู้แล้วอย่างนี้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้โดยชอบโดยพระองค์เองเนี่ยพู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะดังกล่าวมาเนี่ยจึงมีพระญาณไม่ติดขัดขัดข้องทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันนะอดีตทั้งหลายที่ควรรู้ควรเห็นควรพิจารณามีประมาณเท่าใดพระองค์ก็รบับรู้พิจารณ์ ไม่ติดขัดในสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเหตุการณ์เหล่าใดเมื่อเกิดขึ้นเมื่อสีอ่สีอสงไขยสามอสงไขยสองอสงไขยหรือกี่อสงไขยทั้งหลายที่เคยมีอดีตเนี่ยนะพระองค์ประสงค์จะรู้ก็รู้สิ่งนั้นทันทีโดยไม่สับสนเนี่ยนะคือคื อ, อไม่ใช่แบบได้แผ่นจิ๊กซอมาใบหนึ่งแล้วต่อเชื่อมเรื่องไม่ติดเป็นต้นคือพระองค์มองอกําหนดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งป้าพระองค์ก็เชื่อมเรื่องได้หมดแล้วว่าเรื่องราวเหล่านั้นเป็นอย่างไรแล้วก็ มาจากอะไรเหตุการณ์เหล่าใดแล้วก็พระองค์เนี่ยมีวิชาทั้งป่วนประมวลรวมลงในสิ่งเหล่านั้นว่าสิ่งเหล่านั้นควรรู้ยิ่งควรกําหนดรู้ควรละควรเจริญควรทําให้แจ้งมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์เป็นต้นมีปัญญาวินิจฉัยใคร่ครวรพิจารณาทั้งหมดจึงไม่ติดขัดในอดีตพระองค์ไม่ติดขัดในสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตว่าอนาคตต่อไปจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง นะอนาคตทั้งหลายเป็นอย่างไรขันอายตนะธาตุเหล่าใดที่จะเป็นไปในอนาคตเหตุปัจจัยเหล่าใดที่ก่อร่างสร้างขันอายตนะธาตุที่เกิดขึ้นในอนาคตขันอายตนะธาตุเหล่านั้นเป็นที่ตั้งแห่งบัญญัติเป็นที่ตั้งแห่งโวหารเหล่าใดดีเลวประณีตหยาบละเอียดเป็นต้นอย่างไรพระองค์ก็รอบรู้พันสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในอนาคตไม่ได้มาปิดบังขัดขวางหรือว่า ไม่เหมือนกับสัตว์ทั้งหลายผู้ตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งอวิชชาอาดีตก็ถูกบกปิดด้วยอนุภาพของอวิชชาเนี่ยนะอานาคตก็ถูกปิดบังด้วยอำนาจของอวิชชาปัจจุบันก็อยู่ในภาวะแห่งความลุ่มหลงตกอยู่ในภาวะแห่งอาการของคนเมาเนี่ยนะตกอยู่แห่านะแห่งอาการของคนเมาที่เบลเรียกว่าเบลไปหมดเลยเนี่ยนะซึมเซา หมดสภาพไร้สภาพไม่มีคุณภาพเนี่ยนะลุ่มหลงงมงายโง่เขลาเขาเรียกว่ามืดมิดยิ่งกว่าคนที่ตกอยู่ในหลุมที่มันมืดขนาดเนะนี่ยนะเพราะพระองค์รอบรู้สิ่งทั้งหมดเนี่ยนะทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันด้วยอนุภาพของปัญญาอีกในยยหนึ่งบทธรรมที่ควรแนะนำที่ควรบอกควรสอนควรกล่าวควรประกาศแต่งตั้งเปิดเผยมีอยู่เท่าใดพระองค์ก็มีปัญญา รู้เห็นสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นทั้งหมดนั้นปัญญาของพระองค์มีเท่าใดบทธรรมที่ควรแนะนําก็มีอยู่เท่านั้นก็แปลว่ า, านนะสังขารวิการบัญญัติลักษณะรูปนิพพานเนี่ยนะสิ่งเหล่านั้นมีอยู่ปริมาณเท่าใดปัญญาของพระองค์ก็เท่ากับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเรียกว่าเยยธรรมเนี่ยนะยยธรรมหรื อ, เ, อเวนยธรรมทั้งหลายเนี่ยมีประมาณเท่าใดพระองค์รอบรู้สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะ ญาติธรรมทั้งหลายมีปริมาณเท่าใดพระองค์ก็รู้เท่านั้นญาติธรรมมีเท่าปัญญาปัญญามีเท่าญาติธรรมเพราะฉะนั้นญาณเนี่ยพระองค์มีบทธรรมที่ควรแนะนําเป็นที่สุดบทธรรมที่ควรแนะนําก็มีปัญญาเป็นที่สุดนะนะเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยมีปัญญาที่ไม่เป็นไปล่วงคือไม่เกินสิ่งที่ควรจะรู้สิ่งที่ควรรู้มีเท่าใดพระองค์ก็มีความรู้เท่านั้นสิ่งตัวความรู้มีเท่าใดสิ่งที่ควร รู้ทั้งหลายก็มีอยู่เท่านั้นเพราะฉะนั้นทางแห่งบทธรรมที่พระองค์เนตควรแนะนําก็ไม่ล่วงเกินพยานสิ่งทั้งสองเนี่ยนะตั้งอยู่ในสุดของกันและกันสรุปว่าสิ่งที่เรียกว่าอดีตอนาคตปัจจุบันมีอยู่เท่าใดปัญญาของพระองค์ก็มีอยู่เท่านั้นอดีตปัญญามีเท่าใดสิ่งที่มีอยู่ในอดีตอนาคตทั้งปวงก็มีอยู่เท่านั้นพันปัญญาของพระองค์จ ะ, ะเปรียบแค่ง่ายๆว่าเหมือนอากาศไม่ได้เพราะอากาศ เนี่ยนะอากาศยังถึงอดีตอนาคตปัจจุบันไหมเป็นต้นก็ยังไม่ถึงมันพระองค์นี่มีปัญญายัางถึงอดีตทั้งอนาคตและปัจจุบันอากาศเนี่ยนะเป็นก็เป็นอากาศแต่พระองค์รอบรู้ธรรมที่ดับภพบดับทุกทั้งปวงพระองค์จึงมีปัญญาที่เรียกว่าไม่รู้จะเอาอะไรมาเปรียบเทียบเนี่ยนะรอบรู้สรรพสิ่งทั้งมวลแล้วสรรพสิ่งทั้งมวลที่ควรรับรู้ก็นั่นแหละเท่ากับปัญญาของพระองค์เปรียบเหมือนลิ้นพระอบ สองลิ้นที่มาสนิทกันเนี่ยนะพระอบเรียกว่าฝาพระ อ, อ, เ อ, อ บ, บเนี่ยพระอบแบบเรียกว่าฝาบนฝาล่างที่มันเท่ากันเท่ากันเนี่ยมันไอข้างบนก็ไม่เกินข้างล่างข้างล่างก็ไม่เกินข้างบนเนี่ยเข้ากันได้เป๊ะฉันใดสิ่งที่ควรรู้มีเท่าใดเราเปรียบเหมือนว่าแสงสว่างเนี่ยสองเห็นเท่าที่เรียกว่าสิ่งที่จําต้องใช้แสงสว่างสิ่งที่จําต้องใช้แสงสว่างสองเท่าใดฉันใดเนี่ยนะ แสงสว่างก็ม so, ีเท่านั้นปัญญาของพระองค์เนี่ยมีเท่าสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นมีเท่าใดพระองค์ก็มีปัญญาเท่านั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ตรัสรู้แล้วมันบทธรรมที่เรียกว่าญาตธรรมที่ควรแนะนาตั้งอยู่ในที่สุดของกันและกันคือปัญญาและสิ่งที่ควรรู้สิ่งที่ควรรู้และปัญญานี่มันเท่ากัน ฉะนั้นเพราะฉะนั้นธรรมที่ควรแนะนำเท่าใดพระยานของพระองค์ก็มีเท่านั้นพระยานเท่าใดบทธรรมที่ควรแนะนำก็มีเท่านั้นพระยานเนี่ยนะมีบทธรรมที่ควรแนะนำเป็นที่สุดบทธรรมที่ควรแนะนำมีพระยานเป็นที่สุดพระยานไม่เป็นไปล่วงบทธรรมที่ควรแนะนำทางแห่งบทธรรมที่ควรแนะนำก็ไม่ไปเกินพระยานเนี่ยนะธรรมะเหล่านั้นตั้งอยู่ในที่สุดของกันและกัน พันพระยาณของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วย่อมเป็นไปในธรรมทั้งปวงย่อมน้อมไปเพื่อจะรู้จะเห็นธรรมทั้งปวงเพราะฉะนั้นธรรมทั้งปวงเนี่ยที่พระองค์ประสงค์จะรู้เนื่องด้วยอวัชนะอยู่ที่ความประสงค์อยู่ที่ความต้องการถ้าประสงค์จะรู้ก็รู้เลยถ้าประสงค์จะเห็นก็เห็นประสงค์จะพิจารณาก็พิจารณาได้ ท, ทันทีไม่ติดไม่ขัดเปรียบเหมือนลูกเอ่อเรียกว่าลูกปืนที่ ท, ที่มันไม่ไม่ติดขัดเนี่ยนะไหลออกไปจาก คันลองแห่งปืนหรือเหมือนลูกศอนที่เหลาเกลี้ยงเกลาดีแล้วไม่เรียกว่าหลุดออกจากโดยที่ไม่ติดขัดปัญญาของพระองค์เนี่ยนะน้อมไปเพื่อจะรู้เห็นพิจารณาสิ่งใดก็น้อมไปรู้เห็นทันทีไม่มีอะไรมาติดขัดเนื่องด้วยความหวังเนื่องด้วยมนุษยการเนื่องด้วยจิตตุบาทคิดก็รู้แล้วว่างั้นนะแค่คิดก็รู้แล้วก็ขอให้เก็บมาคิดเถอะเหมือนคนมีตามีแสงสว่างมีภาพแค่ลืมตาก็เห็นแล้ว ชั้นใดเนี่ยนะพระองค์มีปัญญาน้อมไปเพื่อจะรู้สิ่งใดก็รอบรู้มองเห็นสิ่งเหล่านั้นทั้งปวงได้ น, น, นะนะและขณะเดียวกันเนี่ยสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะที่พระองค์ประสงค์จะรู้เรื่องราวของผู้ใดก็เนื่องแต่อวชนะแค่คิด ป, ปับก็รอบรู้เรื่องของคนนั้นแล้วเนี่ยนะมนสิการใส่ใจหน่อยเขาก็รอบรู้และคนนั้นเนี่ยสำนวน ว, นว่าพังผืดเขามีเท่าไหร่เนี่ยนะมีกี่ชั้นเนี่ยซ้อนอยู่เท่าไหร่ก็รอบรู้หมดแล้วว่าเขาเหล่านั้นเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้น รู้จริตรู้นิสัยหมดแล้วว่าทั้งอาสยะและอนุสยะของเขาอาสยะของเขาอ่ะแปลว่านิสัยเป็นยังไงรู้แล้วคนนี้เป็นการมาราคานุสยัยปฏิคานุหรือว่ารอบรู้แล้วว่านี้เป็นพวกเนกหนักไปทางกามหรือว่าหนักไปเนกขมมะหนักไปทางโกรธหรือหนักไปทางเมตตาหนักไปทางถีนามิท่ะหรือว่าหนักไปทาง น้อมไปเพื่อสว่างหนักไปทางมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิถ้าเป็นพวกมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิกลุ่มไหนอย่างไรแล้วนแนวความคิดต่อไปจะขยายผลต่อไปเป็นต้นเป็นอย่างไรแล้วตัวที่เรียกว่าตัวสัมมาทิฏฐิของเขาเป็นอย่างไรขณะ น, นี้เป็นประเภทกําลังสเสื่อมอยู่หรือกําลังทรงอยู่หรือกําลังเจริญขึ้นหรือว่าน้อมไปเพื่อตรัสรู้ผมก็เห็นสิ่งเหล่านั้นทั้งที่เป็นอนุสัย อันนี้หนักไปทางกาย ม, มาราคานุสัยปฏิคานุสัยวิจิกิชานุสัยมานานุสัยอวิชานุสัยหรือจริตของเขาเนี่ยน้อมไปทางกายกรรมมากวิจีกรรมมากหรือทางมนโนกรรมมากเป็นปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารหรือปุญญาพิสังขารและอัธีมุตของเขาก็ชอบพบใครนะเพราะว่าคนเลวก็ชอบพบคนเลวเนี่ยนะ คนที่ดีก็ชอบคบคนดีทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันงั้นคนที่มีจริตนิสัยและชอบคบประเภทใดชอบอยู่ใกล้คนไหนชอบคุยคู่พู ด, พดคุยกับใครเป็นต้นเนี่ยก็รู้ท่าแท้ของสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วเนี่ยนะพระองค์ทรงทราบชัดสัตว์ทั้งหลายผู้มีกิเลสเปรียบเหมือนฝุน่นละอองคือทุรีในดวงตาว่าคนนี้มีเรียกว่ากิเลสเนี่ยหนาหรือว่ากิเลสเนี่ยเบาบางกิเลสในใจหนาหรือว่าเบาบาง ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันแก่กล้าหรือว่าอ่อนปูกเปียกเลยเนี่ยนะเละตุ้มเปะเลยเนี่ยนะศรัทธากลเลวิริยะก็เลสติก็เลเป็นต้นเนี่ยนะก็คือรอบรู้แล้วว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเขาเป็นอย่างไรแก่กล้าหรืออ่อนสอนได้หรือสอนไม่ได้อาการดีเนี่ยนะสภาพตอนนี้อยู่ตกอยู่ในอาการประเภทไหนเน <these S 2> well ี่ยนะอาการสำเนวสภาพพูดแบบสุขภาพกับอาการเป็นยังไงมั่งปางตายหรือยังเป็นต้นเนี่ยเรียกว่ารอบรู้อาการเหล่านั้นทั้งหมดนีนะ มันอาการทางความคิดของเขาเป็นอย่างไรตรวจปับก็รู้อาการแล้วว่าไออาการแบบนี้เนี่ยห่างๆหน่อยดีที่สุดเนี่ยนะหรืออาการแบบนี้น่าพูดคุยด้วยอาการแบบนี้ควรจะทำอย่างไรก็รว่ารอบรู้อาการหมดแล้วว่าอาการเป็นยังไงอาการแบบมีศรัทธาหรืออาการของคนไม่มีศรัทธาเนี่ยนะก็เรียกว่าออกอาการมาเลยใช่ไหมออกอาการของความ มีศรัทธาหรือว่าไม่มีศรัทธาออกอาการของคนขยันหรือคนเกียจคร้านออกอาการของคนมีสติหรือว่าคนโง่เขลางมงายออกอาการของคนมีใจตั้งมั่นหรือว่าอาการของคนฟุง้งซ่านอาการของคนมีปัญญาหรืออาการของคนโง่เขลาอาการของคนขี้โกรธหรือมีเมตตาอาการของมีราคะหรือว่าปราศจากราคะอาการเนีย่ยน้อมไปทางไหนน้อมไปเพื่อจะออทาปานาติบาหรือว่าจะเวน้นจาก ปานาติบัตเป็นต้นเรียกว่าตรวจอาการรอบรู้หมดแล้วเนี่ยนะกระตุกนิดเดียวก็รู้แล้วว่างั้นคะตกลงว่าอาการแบบนี้สอนได้หรือสอนยากเนี่ยสอนได้หรือว่าสอนไม่ได้ควรแก่การสอนหรือว่าไม่ควรแก่การสอนบอกได้หรือว่าบอกไม่ได้ถ้าบอกไม่ได้ก็ง่ายนิดเดียวก็เหมือนคนไม่อยากเห็นหลับตาแป๊บก็จบแล้วเนี่ยนะนั้นก็รู้ว่าเออเนี่ยรู้ให้รู้ง่ายหรือว่าให้รู้ยากบอกง่ายหรือว่าบอกยากเนี่ยนะหรือว่าไม่ต้องบอกก็รู้กันเป็นต้น หรือว่าเป็นพวกพักผัสัตมีอุปนิสัยควรที่จะบรรลุมรคผลหรือไม่หรือเป็นพวกอภัสศัตไม่มีบุญวาสนาเนี่ยนะมีเรียกว่ามีวาสนาพอจะบรรลุไหมหรือว่าไม่มีบุญวาสนาพอที่จะบรรลุพวกประโยควิบัติหรือว่าพวกประโยคสมบัติพวกอาสยวิบัติหรือพวกอาสยสมบัติเนี่ยนะก็รู้ละรอบรู้สิ่งเหล่านี้ของสัพพสัตตในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรหมโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสัมณพรา พันพระองค์ตรวจเช็คสัตว์โลกน่ น, น่นสัตว์ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกในหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์รู้ทั้งจริญเอ่อทั้งอาสยะอาเอ่ออายะคืออัธยาศัยของเขาอนุสัยของเขาจริตของเขาอาทิมุติของเขาเขาน้อมไปคบหาคลุกคลีสมาคมกับใครอินทรีย์อ่อนหรืออินทรีย์แก่กล้าปัญญาน้อยหรือปัญญามาก อ า, อาการดีหรืออาการชั่วสอนง่ายหรือว่าสอนยากบอกง่ายหรือว่าบอกยากเป็นพวกอภัพหรือว่าเป็นพวกพับพระควรบรรลุหรือไม่ควรบรรลุเพราะสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยมาปรากฏตกอยู่ในข่ายปัญญาของพระองค์